ปาติเทศนิยสิกขาบทที่8ภิกษุณีออกป่าขอหนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาติเทศนิยะทุกๆุกคำกลืนปาติเทศนิยะ8สิกขาบทจบ กาตาปติวาระที่สองจบ